ขอเจริญสุขไมญย์ปญญผู้แฉวงทั้งหลายเนาะเอาวมือลงซะ <c oughs> เฉาวงแชวดำ ม, มืดะนว้ยไปลอยลไม่ญย่บึงอาปากให้บึงอาสาวาตันอะนกอยังงอ่าอ้ายบึงอนู่ <c oughs> เฉากระดมดำวงวงยำ ม, มา ก, กระซันโม เหตนดาพก่อไผ่ไม่ไผ่เข in ้ากเบบังแล้วกับมแต่ผู้สูงอายุเนาะแต่กัมีความเพียรมีความบากบันพอสมควรกับดยความอยากหูอยากเห็นอในคำสั่งสอนของพุทธองค์ที่เป็นพุทธศาสนาเป็นจัมชาติของพวกเขาก็เลยอยากหูอยากเห็นอก็เลยอยากลองมาปพฤติปฏิบัติลองเบึงตามที่คขั้นชั้นของลพอมหาลัย กคณะสงฆ์หลายท่างหลายองค์ลุงปูวละเทปอาจารย์สุเทพเปนกะชักกะชวนกะหยาดกะยมมายกใหม่ยกมือกะยกลองเบงิเนงนี่ลองเบงิงตังค้นกะยกภาวะภาวะภาวะเราค้นกเพเวอเพ้เวอพเพอร์อร์ปังซั ง, งปังซง เออคูเมือใหญ่เมือหน่อยกระต่างกันได้เนาะเออมันกระต่างกันอยู่อคู่บางคนเมือหน่อยก็คือนิทานเรื่องเอยงอ่าเบืงเกียงกับเสียเตะเออกินมากินมาเล็บแมวเตะผู้ใดเมือหน่อยจะกินจะกินผูดด้ใดเมือใหญ่หูกินหูจินมาสิเสียกัะเบื้องเตะว่าที่ตัวไม่ใหญ่ตัวไป่ใหญ่เท่ากัน ว่าได้มือน่อยได้โอบันนี้หลานมาบอกไปยัยฟังเนาะอันนี้ขึ้กันแหละผูพันมือหน่อยหน่อยเพื่นกันยกว่ามอมบางวันดีได้ผููมือใหญ่ผูพันเพื่อท่าไในก็เหตุกัเห็ดอ่าปังสร้างปังสร้างเพียงมาตายแดดเนี่ย กต่จันทกเนาะเห็นว่าขันกเห็นมาตายแดดวะขันมาตายแดมับรถคสังหรอังไ่ขันกินตกตสะอาตากสวะสะสวะเะเออบางคนบางคนกัเห็ุงามอยู่บางคนกับยางแก้วผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าทางนี้กับอาตมากับฮอกกม่าเป็นครั้งครั้งที่สองวัด ปาน้องคู่ปีกายก็มาอยู่แต่วาเดงมาในงานอบรมปฏิบัติธรรมอ่าเพิ่นจัดกับบุหุจักกับบทท่านหุจักลหลวงพ่อมหาไหลแต่หุจักในทางโทรศัพท์ปีนั้นปีกายนีย่ปีก่อนเน่ยอ่าปีสาสิบแปดหรือสามสิบเก้าหุจักทางโทรศัพท์เพิ่นโทรศัพท์จากอเมริกาคุณอ่ะอ่าวัดไซแม่นันจันดาเพิ่นไปอเมริกา คนเลยโทมาคุยนำ้ำโทรมาคุยกะบไเลยให้หลพ่อมาหาไัยคุยนำ้ำคุยไปคุยมากกเออหูจักไปซื้อนเพื่อเห็นตัวคนยกระเท้อขันสันกัไม่ไปเทียดแทนซะกันขันจิบฟังกับฟังได้ไหมขัน บ, บฟังเอาไม่ไปหลดบอดว่าสิไดด้ยวย่ะสีนังฟังมึงคัทเนี่ยนอกฟญ่แล คันมฟังกะหิ่ไปหนีไปหาลับฮานอนพักกระิ่ดสบายก็ต้องโหมอยากปากเปียกเพราะฉะนั้นเมื่อพึ่นคุยกันนักหูจากกันทางโทรศัพท์กะเออก็เลยขออากาศรัตนากันมีพึ่นมีโอกาสรัตอรัตนาพึ่นไปวัดโมกวัดนีจากน้อยแน่ฉะนั้นพึ่นกะ ไปจัดงานปีกาย่นี่แหละอยู่วัดโมกก็เลยเพลินก็เลยไปเทศไหยไปแสดงถ้ำไหนี่ไห้ก็เลยคุยกันแนะ่นีน่แนงหูจักมะคุนกันแนะ่ว่าปี่กายปีนี้พมก็จัดงานเอากันแล้วพอดีมาช่วงนั้นก็นมาตอนชุพินชิกับพอดีบวชเนีนผา่าคลดโดรอนก็เลยมา เป้าหมายหรือจุดประสงค์ที่มานั่นก็น ม, ม, มีมีมีจุดประสงค์อยู่มีแนวอยากได้อยู่ทั้งเมียงนอกยังหน้าอยู่อันนั้ไปก็เลยมาหาเพเลินเพราะมาหาเพลินก็เลยฝากสิ่งของนิดน้อยไปให้เพลินสื่อเชียงยังลเล็กๆ็กน้อยมาให้เพื่อมาการใส่งานในเมืองไทยคือเครื่องก๊อปปี้เทปนี่แหละในสมัยนั้นเงินบาทกับวัตถุนิยมพื้นบ้านานี้ ก็เลยฝากพนไปนี่เพ่นไปพอฝากไปแล้วเพื่อนก็โทกลับมาบอกว่าเงินมาพ่อเยจะแน่เนกท่านว่าสีเอาว่ามันเกินเกินเงินอยู่ท่นนาะันทันให้ลุพ่อออกไปก่อนเด้อ่านเนาะมาแล้วไม่ได้แม่ออกันทันให้ลุพ่อออกไปคนเดยวกลับมาเมืองไทยยังเสียว่าใส่หนีเป็นหนีใส่หนีไว้ใส่หนี้ว้ท่านเนาะก็เลยเอาขันนก็เป็นนังนี่จัดการให้นี่ให้เพ่นก็เลยจัดแจง ซื้อมาไห่นี่มาไห้กับฝากมาก่อนเขากรรษาเอ้ก่อนชวงในวรนสาเกเลยมาใส่มาท่านใส่งานช่วงงานวันตามรอ้อยตารอยลงพอดีนในช่วงในการวรรษาพอดีช่วงนั้นที่สิบสามเมษายนช่วงนั้นก็เลยได้มาใส่งานกันรลูเซียบาร์ใส่ดีใส่ดีพอสมควรอีกนี่ก็เลยมาทดแทนบุญคุณเพิ่นเนาะเพิ่นกาทำการทํางานมาไห่นี่มาไห้พอมาเห็นคนในบุคลิก คาท่านของเพื่นกมีความเรลื่อมสศรัทธาในบพคือคาท่านของเพื่นแลกักกยิ่งเพื่อนเป็นป ร, ริยนธรรมอ่ากะเลยมาศึกษาวิธีการที่จริงโลงพอ่อมหาลัยกะได้ยินกิตติศัตว์สมัยอาจารย์ทองเจ้ า, าวาดวัดสนามในเป็นไปเมเริกากะได้คุยกะได้นสนทนาเพื่อนกระบอยฟังอยู่มีมาหาเกาประโยคคนสารคมำปรว่าไปอยู่วมริกามาปฏิบัติธรรมยกมือโอ้ดีว่า ท่านใจอกตั้งมกตั้งใจดียิ่งปีกายนิตรเพิ่นในไม่จำมั่าอยู่กับหลวงพอ่อคำเฉียนทีปาสุขตโตทีแจงคอก็กลุ้นสึกว่ามีความเพิ่นกับมีความตั้งใจได้ดีหมาจะเทียดแชงถึหมาก็คงจะควมอยู่เทียดแชงมันก็เศร้าลวพ่เทียดแท้ว <laughs> ก็เพิ่นก็มีความตั้งใจเพราะว่าวิธีการของเฮ้าของหลวงพ่อเทียนสายหลวงพ่อเทียนนั้นรู้สึกว่าคนเข้าใจตอนอันดับแรกๆกนันควาที่เข้าใจนั้นรู้สึกมีความยากยากพอวิธีการมันบอกคือเพอิ่นคือยังว่าน่นเรายกมือปังสามปังเซิงปิงซิงอยู่กับเฮ็ดป้ามันก็รู้สึกรูปแบบบอกใครหยิบลอยได้ดีเท่าที่ควรคนก็เลยบอกใครสนใจแต่ว่า ด้วยความใจจริงด้วยความศักดิ์จริงในการปฏิบัติธรรมของคุบาอาจารย์ของเพนเฮตมาทํามากมากับรู้สึกว่ามีความได้รับผลของการปฏิบัติตามมากกมีความเข้าชนที่ปฏิบัติจริงกับมีความเข้าใจมากพอสมควรอสามารถที่จะขจัดปัญหาที่มันเกิดขึ้นภายในตัวตนคนของจะของไปน้าในการรู้สึกไม่มากพอสมควรมากหนาหลายตาเพิ่มขึ้นมานีม้มากขึ้นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ ท่าทายเป็นสิ่งที่สังคมวิธีการการปฏิบัติธรรมในกาแต่พางเข้าในกรู้สึกว่าเป็นวิธีการที่ท่าทายในในยุคปัจจุบันนี้พอสมควรเพราะฉะนั้นเ <c oughs> มื่อคนมีความตั้งอกตั้งใจมากขึ้นมากขึ้นในการที่จะชักชวนหยาดย่อมขอมาประพฤติ ป, ปฏิบัติกระยิ่งมีความหมั่นใจมีความเสื่อถือเคารพนับถือเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าทั่วไปนั่น เมื่อเพื่นศึกษาเราเรียนอได้เป็นถึงเจ้าฝ่าเจ้าคุณก็ไปยันในบ้านในเฮือนเพื่อนกะลืมบ้านลืมเมืองนั่นแล้วแต่นี่เพื่นยังคิดหอดพ่อหอดแม่อยู่นเนาะแต่แสดงว่าเพื่นกะบ่ได้อาศัยพุทธศาสนาอาขมาศึกษาก็ได้ให้พุทธศาสนานั้นอาศัยเพื่นน้าเหมือนกับพาตัวเขาขมาบวชคือกันเมื่อเขามาบวชบวชแล้วในพุทธศาสนา แต่ขันเฒ่าได้มาอาศัยพุทธศาสนาอยู่แต่ว่าขันบ่ให้พุทธศาสนาหรือบ่ให้ศาสนาอาศัยเข้ากับศาสตรพอสมควรเนี่หรือสีว้าตามความเป็นจริงบาว่าบบบมีความอ่บวบเม็นมีความ อ, มามอนักคำว่านักมากเกินไปเนเกินไปคือว่าเป็นขบวตต่อพระพุฎเจ้าเห็นบ่ ทั้งๆ ท, ท, ที่อาศัยผ่ากาสวพัดของเพลนนี่ของเพลนรูปแบบอยู่ของเพิลนกันจึงก็อยู่ของเพลนนี่ขอเพล น, พ น, พนแต่ว่าบริอาจเอาคำสอนของเพลนมาบอกเราก้าสิบบอกขยันทะยมมาเผปปยแผ่ขยันทะยมหููจักเข้าใจเอาไปเอาใจอย่างบูคําสอนอย่างบูเลียงอิทธิธปฏิยังหาเลียงเดติดเงเดทเลียงอย่างตา่างๆกูนั่นสิเห็นได้ยินได้ฟังทั่วไปมากมายพอสมควรอันนั่นแหละตนหนึ่งจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นว่า เมื่อเขามีเป้าหมายในการปฏิบัติเมื่อเขามีเขาเป้าหมายในการกระทั่งของเขาเข า, เขากะต้องหูจับเป้าหมายที่เขาสิเดินทางไปขึ้นกันมันก็ไม่ออกเ <c oughs> มื่อปฏิบัติธรรมอยู่วัดป่าหนองคู่นี่คืก อ, อ, อ, อ, กบบอกันบอกพ่อบกแม่ก็บอกลูกบอกหลานบอกพใครเงยไม่หง่ทั้งบ้านอ๋อเถ่าเอ้ยวัดป่าหนองคู่คนปฏิบัติธรรมคอยสิไปปฏิบัติธรรมมานำเพินสะก่อน อาจจะเกตหมื่อเจ็ดวันเจ็ดคืนได้ย อ, อยู่ไปทางบ้านกันให้เจ้ารับผิดชอบเอานี้เ อ, า, อาสิ่งของอย่างแรงๆต่างๆกัให้รับผิดชอบเอาลูกหลานอยู่ทั้งบ้านกันใจกันดูแลรักษาเอากลับมาวัดม า, มาถึงวัดก็มารับศีลรับศีลแปดกัมาสู่รูปแบบกันปฏิบัติกันปฏิบัติไปปฏิบัติมากบบเดินจงกรมไปเดินจงกรมมาเบิดไปยามมาเบิเมื่อ ย, อ ย, อยว่ะ เมื่อไปแม่มาเขาาสมปากขาามมากาั้วตาหมากไม่หยัมจัวจัวจัวอันนั้นแสดงว่ามาพอถึงท่าบันไดพอบอกตั้งแต่เป็นเรียกว่าค้นโกกขบขี่ตัวเพราะว่าเถ้าเอ้ยข่อยจะไปนั่งเชียวหมากจ่วตาหน่องคู่กันเด้อวันนั้นก็เออคันนั่นเติมขันไปน้ำนั่นอีกก่ะสิ่สีส่ใครอยู่วัน น, นั้ไป อันนี้ก็บอกเป็นคตโกหกหมดเท็จปันไดนี่บอกว่าคอยไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานนำ้ำพลเจ็ดหมื่นเจ็ดวันสักคนพอมหาหอด้วกันน่งไส่ใสจนย่างไปหาบางคนหักเหลียดหักอย่างเอออะไรนะข่ะกันมาแล้วโอ้โห้คด็กก็สูบยาครับเทวินอร คำจำคำหลวงพ่อของหลวงพ่อเจ้าคุณมืองเลยอ่าเป็นนี่ของเพลินเพลโมบาพูดที่เชี่ยวหมากนะ่าปฏิบัติธรรมที่บังหูไปเห็นอย่างทั้งมัดนี่คือหมากมันเอาไปกินมัดทำมายกไม่ยกมือก็มู้สึกขึ้นมาอกิรู้สึกมันได้อยู่แล้วไหมแต่ว่าผลที่ได้ก็ยังมากก็ไปกินพัดกระสันไว้ลนลงไปลน ล, ลงไปใช้ในตะกาหมากมัดกระสันยกมากก็รู้สึกปังซางปังซางปางังซ า, างมาขนาดใดพอ่อ หิวมากนันนะปอกหมาหนึงบุญบาดเดียวมันลนในตาห ม, มากป๊ะหลนฝุดในตาห ม, มากหมากเป็นผู้ใด้บั้ตัวเขาเปนได้แบบว่าหูจับกันได้แบบโอ้ยพระอาจารย์หลวงพ่อเยบนี่ยเพียงคือยังไปเห็นยงน้เพนยังบหูไปเห็นอย่างน้ำเพินดอกแบบนั้นน่ะจีหูเสียนอย่างเดิเห็นในตาห ม, มากเดินจง ก, กลมก็คือในตรงลำลำลอลอลมตรงนี้ตาหมากอาจารย์สุเทียร์พนกเก่เอาแล้วเอาอีกใกล้ที่ครบเย็ดเหมือยังเกื่อทนอยู่กระเตีองอยู่ใสย่ยังกระปืนกระปืนลูกดันเนี่เนาะ ทำยิ่งกันยิ่งว่าแตกละ่ะเส้ยว่าอะไงเทียอลไรโอ้ยผู้ขามือเสาอมือเบนเนี่มือว่องแรงพญังพันมาเปออกเป็นอย่างลู้พ่อขากันวะก็ตาหมาขาีาาขา้อคือยิ่งได้บุญลู้พ่อขาเราขอขายยังไงกระตาหมากขีข้อนะมัเพราะฉะนั้นการปฏิบัตรริธรรมนี่เทาต้องการตัดสินใจตอนไหนไงการตัดสินใจในการที่เท้าสิเกียรติทำลองเบงิง พิสูจน์คำสอนของอของพระพระุทธเจ้าของขลองเบิงตัดปริโพลกังวนออกไก่ทั้งมดัดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งมัดลองเบิงกล้าก็จังระเววตันดอนเพลินท่านลูกท่านเมียขุนรอมเนร่อันนี้ภาษาก็ตาหมากท่านบ่ได้ห้วโว้ยชิไลปนันนัน ่าสุดทินังวัดตเวทานังอาสาวกขยาวหังโหตุขะไปเจ้ายินดีในทานการถวายของจงสำเร็จอาสาวกไขแหงเครื่องดองสันดานในอนาคตการเบื้องหน้านนท์เหมือนมันยังหระมันสันดองได้สันดานเนี่กิเลสกี่งขังเขาก็อาปากสาวาสาวาติยิเช่นนั้นมันก็ะซิไปยังใดลุมันเนี้ยเฮ็ดยังไดมันแดงสีออกเฮ็ดยังใดมันสิหลุด เสภะพุทธเจ้ามามขอมาเว่นเว่นเว่นม่หนีรถโ๊เป็กป๊กเป๊กโอเครียงฉี่มาฉี่มาฉี่สั่งแต่ว่ามันเกิดสิงายโพดเนาะอันนั่นแหละเรื่องของพุทธศาสนาของเขาเนี่นไม่เป็นเรื่องปฏิบัติเราต่อไม่ไงมั่เม็นเรื่องอ่อนว้อนเอาเด้ชีว่าโอ้ยกะกินมาัตงเดชเนี่ยมันก็่าวว่ามันจิเลศอยัางมากไม้ดอกกระตามมากสุกยานก็ได้แต่ว่าความที่เขาไปผูกพันผมเนี่ย ตัวจิตของเขาไปผูกพันตัวผน ม, นมันเสียก้อนเป็นอิสระภาพาแห่งจิตของเขาหน่ของเขาเห็นบ่อลงปูวัเทพเป็นอยายันวัฏเทพเป็นเหตไตเฉียนแมนวิธีของจิตจั ก, กรยานของจิตเป่นเฉียนภาพในที่ชีวิตวันแจกให้นี้ไปอธิบายได้ดีได้ดีพอสมควรเนยเดนยนี้พวกเขากำลังปั่นจั ก, กรยา น, นีนขึ้นผู้เขาเดนไถ่ในไถ่ในจากนั้นเปลดกักบิดแล้วแอว แ, อว แ, อวแอวล้วแอ่วราหคนน่ะนักเมืย์ก็เมืย์ง่วงกับง่วงเฮาเฮานอนโว้ย จากมันยังจงมันยังสารผัดบางคนบอว่าเ่คยงว่วงอาานอนยอยากเที่ยวญี่นม่คยนอนเบ็อยากเท่วกลับไปอยายกมือเดินจง ก, กมกมันหล่อมเนลาตากระลิบดีลิบดีบ ล, บลงจัดจังไดในยังไดความจริงนั่นนั้นลซึว่ามันมันมีความปริพอดกับวันหลายในพวกเขาสังเกตบ้างได้ไหมไงภูทอยูยอยด้ยความแบบพาสรงของไก่เจ้าอบบหลวงปู่หลวงพ่อพันยูวัดยูว่า แต่ก็บรรยายดอกหลวงปู่หลวงพ่อยวัตวะกับบอธิวะกับพระสมอไปเนาะบางเทือกกับพระละนาที่อย่างต่างๆคนกันมีความปริพลกังว่นอนไปคุยกันคุยกับพอออกพร่อาจารย์ยังมือทั้งทั้งเพื่อนบอกว่าพระยังอ่ะเพื่นมรณาภาพไปนี่ไปก่อนที่มรณภาพาไปก็ขึ้นพุนแล้วปั้งสร้างเออขึ้นพ่อออกไปพูนย้อนอดีตกับไปอดีตพุนอ่ะเบาวกับคนผีกับคนตายไปพุนอ่ะ อันนั้นแหละคือว <OMAN 2> ิถีจิตของเขาที่ท right. right. ําให้จิตบ่มีความจิดในปัจจุบันที่บอกให้กลับพอมาอยู่ในปัจจุบันก็เย็ดบ่ได้ทำบ่ได้เราเขาเมื่อไก่เมื่อตายคนนะเบ้อแม่เอ้ยเมื่อไก่ใจใจขาดแล้พูดโทษได้แม่เอ้พูดโทพูดโทพูดโทกัมันก็บทีพุดโทษอะไรังไงเพราะว่าจิตเท่าบัตามจิตเท่าบ่เคยใสเอาใจใส่กับสิ่งนี่อย่างเถื่อบ่เคยท่วนกระแสของจิตจักเถื่อมันก็เลยบ่มีความ ชำนาญใ น, นสิ่งเหล่านี้มันชำนาญในแดนความคิดความคิดเมื่อชิดไปสังเกตบังคนเขาใก่จิตาตายอาตมากลัไปเห็นค้นไก่สิตตายหลายคนเนาะคนณไก่สิตตายเนี่ผู้ที่ไม่ได้ฝึกนั่นความชิดเก่าๆมันจะขุดขึ้นมาได้ไหม่งความคิดเก่าๆมันจะขุดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเนี่ขึ้นมาตั้งแต่อดีตผู้ไะตั้งแต่ผอุน้น ไอ้คนที่แต่ตายซื้อคนที่ตายตายแตงตะปูแต่ปูพูดก็พูดยักเมื่พูดขึ้นมาเนี่ขึ้นมาให้ไลถามข้าวผู้ น, น, ผนั่นผู้นี่ทำไปไปสารพัดลูกหลานแล้วก็มู่จากลูกไม่ลูกเกิดไม่แย่รุ่นเมื่อเลี้ยงลําดับไปแล้วโอ้ยตั้งแต่พี่ปูยาตายยาตาถั่วของเพื่อนนี่ก็เพื่อนคุณ น, นั่นแหละจิตของเขาเมื่อเขามีข้ามีจิตกําลังเขาไม่มีพล ะ, ะเมื่อจิตไม่มีกําลังแล้วตกกาลังแ่ะตกพวังล่ะก็ อดีตอนาคตเป็นตัวเป็นตัวกำหนดละบ้านเนี่ยย้อนไปทิ้งอดีตกระพูนบัดิตายพร้มนี้ถึงอนาคตอ่ะมิไมด้ย้อนไปทิ้งอดีตไปมัดภามอดีตก็เกลี่ว่าเกลาเกิดขึ้นมาได้ขึ้นมาเพราว่ากรรมมาทันมากรรมยําประทันตาที่มันคือจิตของเขาในวิธีจิตของเขาไม่ได้ควบคุมควบคุมมาได้ขาดการควบคุมเหมือนข้าศงยานอวกาศขึ้นไปทั้งโลกพระจันทรโลกพระเอียงพระข้าเนียงต่างๆเนี่ยคันมัน ขาดการควบคุมการการติดต่อในในพื้นโลกนี่ก็แสดงว่าควบคุมไม่ได้สังเกตมันจะเห็นเขาที่อยันต่างๆนีข่ขาดการควบคุมเราก็ที่โตกะมาสู่ผืนโลกเขาอยู่ตลอดวิธีจิตของเขาคือกันชีวิตของเขาคือกันน่ะขันพ้อยในชีิตมันบาดบันแต่อยู่ในลักษณะแบบนั้นรู้สึกว่าอันตรายเขาก็ทีเคยเห็นบุถาวรบุจาขณะ น, นี้ก็เคยก็ที่เคยเห็นเพราะอย่างเพราะว่าจิตของคนมอโบอราณกันอีกกันเมื่อเป็นในลักษณะนั้น ย้อนไปถึงอดีตย้อนกข้าไปนี่เข้าไปเกิดขึ้นมาเป็นภาพเป็นนิมิตเกิดขึ้นมายานกลัวบางคนคนคนหนึ่งเป็นคนเป็นหมอตอนคุ้ยเดสมัยก่อนเนาะเอาแบบเอาไม้ขีป .ham ไหมยังไงขีป h a คว้ยเราก็ขอนทุบมันนะห้องอูคว้ยก็ห้องอูอูอูกับ้าบัดใกล้จะตายได้บันีิยห้องยังคือคุ้ยในบัณฑิตออูอูอูเพราะว่าจิตไปพองแวกกระสิ่งเรานั่ง เมื่อจิตเป็ของแวดกับสิ่งเรานั้นมินิมิตมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ขึ้นมาและเอาเอาเสียงของขวายตัวนั้นมาเป็นตัวกําหนดจิตของเขานี่ของเขานั่นหมายความว่ากรรมที่จริงมันก็กรรมอยู่แล้วล่ะกรรมคือว่าหู่จักกันกระทั้มของเจ้าของพอสามารถควบคุมจิตของเจ้าของได้นี่ได้เพราะฉะนั้นว่าที่พวกเขามาให้ยกใหม่พวกผู้ว่าอาจารย์พอแมื่ออาทิ่ย์เป็นใหมอยกใหม่ยกมือมีกันควบคุมมือกันเบิ้งดูได้ลักษณะเพื่อต้องการให้เอาย่อนกลับขาเบิ้งตัวที่นด้ ย้อนเขามากับเบื่องตัวจิตใจของเขาตัวพี่เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องสังเกตเบื้องคูบะคูบะอาจารย์ต่ละองค์ขึ้นมาเถิดสิบว่าวเรื่องบุญเรื่องท่านเรื่องห้เจ้าอยังทั้งหมืนี้ทั้งเมือจ่ะถ้าท่านนั้นท่านนี่จะได้ไปสวรรค์สนันสนีเพลนเบาเบาวายจักหน่อยมันนั่งฟังเงี่ยงกับแต่มือแหลกวันี้ผู้ใดว่าเรื่องบุญเรื่องกุศลที่ว่าหลอกหล่อหาญาติยมเอาเไปทาบุญนั่นทาบุญอันนี้อันนี้ไปเมื่อบ่บ่มี แม้แต่ขบะาอาหารเพิ่งเกิดจัดแจงพระสงฆ์องใครเจ้าเพิ่งกิดจัดแจงบิณฑบาตนะว่าให้ให้กบให้ชั้นจิ้มลงไปนี้ลงไปเพื่อต้องการเขมีและล่าขม้าเบิ่งชีวของเขาตัวพี่แต่พวกเขากลไปของแวะกระซิงที่พวกเป็นประสิตแตกเนะาะตอกทับสะทอในกระซิงเหล่านั้นสังเกตเบิ่งเขาคันเขาเป็นแต่ว่าเขากลับสา่งนิสัยล่องเบิ่งค่อยๆสั่งลองเบิ่ง ค่อยๆสร้างตัวนี้ลงบันทความรู้สึกคุณเมื่อตัวนี้อัตมามีความมั่นใจเลยตั้งแต่เหตุตั้งแต่บวชปีแรกปีสองพันหรอยยี่สิบสองนับมาแล้วกว่าสิบกว่าปีเลยเนาะปียี่สิบสองอันนี้วอนบอกเลขเด้แต่นั่นแหละมาบวชก็คิดว่าสิบบวชก็บพคิดว่าสิบเพได้ยุดนหันไดนี่ปันใดก็คิดว่าสิาสาสซึกออกไปอยู่ือกัน แต่ว่าพ่อเข้าใจก็ะซิงเรานี่ย น, น, นี่เนี่ยเราสกับขอโทษเรื่องของชีวิตของเขายัางบบทันจบเด็นน่ะเขาต้องศึกษาจนมันจบซะก่อนลักษูตรตัวนี้เป็นลักษูตรที่เขาต้องเลี้ยนรูให้มากให้เลียงให้เล่ ง, ร, งรีบด่วนที่สุดกว่าสิ่งอื่นก็เลยตัดสินใจปฏิบัติเลื่อยมาเลื่อยมาเลื่อยมาอยา่รอยตรอกระเทาะสมือนี่ ยิ่งมีความมั่นใจมีความหนักแน่นลงไปว่าการปฏิบัติทำทําความรู้สึกคู่มตัวนี้ยกใหม ย, ยกมือเคิืนไหว้ยกมือไปเอามือมามีความรู้สึกมืออย่างนี่ประกอบไปด้วยปัจจุบันในขณะขณะที่เขาเห็ดอย่างนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์พอสมควรเหมือนกับหลวงพ่อที่เพนเทศก้าวไปเมื่อเสาร์นี้ที่กันคณะเห็ดถึงเนี่ยคณเห็ดว่าถึงนั่นรู้สึกมันกะโอ้จากมันอย่างไะมันถือว่าของมาแหวกคือสูบมือเขาสูบ ม, มือนี่แล้วพวกมัน ย, ยัยมันยัยสมบมือนี่แล้ว จากมันก็ง่วงเหงาเขานอนก็นมื่อของเมื่อกลัวมาหยามลงไปนี่ลงไปมาหลากมาดึงมาจองลงไปจอ ง, แ ล, จอ ง, จองแล้วก็จองจองเอวลแล้วก็จองจองขาแล้วก็จองจองขวางแล้วก็จองเท้างบลงเลงไปโอ้หนักไม่ตายนกไม่ยกมือแต่ก่อนนั่นรู้สึกว่านักกี่เยอะเวลาปฏิบัติแรกๆนั้นนักไม่นักมือเดินจงกลมก็เดินก้อนใดนี่ลากตะลู่ตะลู่ตะลูดนฟาตีนเกิด ขึออ้นหูจะเกิดปะมันห้องหูจะเกิดไปเนาะคนอัดเสียไม่ไม่อมาจที่หูจะเกิดเกิดนีซื่อไม่ไม่ฟังนำกาดาวเทีมยมไม่ไมนี่นายางบกข้อสามเออสามสามเดือนในเตี้ยนสองครูอย่างเดินจงกลมเมื่อหลากหลายกั น, นายางตีนเปาเดินหันละทำข้อมรู้สึกขมือมันหูโบหูก็ะป๋อเนี่ยเพิ่นบอกไงทำข้อมูลสึกข ม, มือกับทำข้อมูลสึกข ม, มือเอากันเอากันจริงจริะ ตั alia, ้งใจจริงๆฮ็่จริงๆอยู่ีในสามเดือนอยู่น้ากันนี่พระสิบก็รูปนี่บ่อโปบ่ปากน้ากันโมหุจักซื้อกันซำบ่ปากบ่อพูดบ่คุยชั้นเขาเลอหลีกเล่นลงไปก็มั่นไปอ่าพูดคุยกับธรรมดาถามข้าวทำเออนี่บอกกันแนียจบเราก็ไปบ่มีมีใจหักใจหักในการปฏิบัติอยากหูอยากเห็นอยากพิสูจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าลองเบิงนี่รองเบิง มีความตั้งใจแล้วพราะตั้งใจขึ้นมาท้งลักษณะแม้ยังเกิดขึ้นมาเ้าก็บด้วิวานไหวลวะก็บบได้จับพิดจับถืกผู้ใดเพิ่นบอกให้ท่ำห้องก็ทํ า, าท่ำพา่อท่ำลงไปจับความรู้สึกเมื่อได้ขนาดนั้นหรู้สึอว่าโอ้ยมันกับสิงมันเคยหนักเคยหนั ก, เ ค, นกเคยอย่างต่างๆที่เขาเคยยึดเคยถืออยู่ในหันหรู้สึกว่ามันเราเบาเราบางไปเมื่อเรื่องสมมุติเมื่อเขาใจเรื่องสมมุติเท่านั้นแหละป๊าปแม้ยังเคยก็ยังจนคือปวกกินในขึ้นไปต้นไหม่เขาเนี่ย ในวัดนิษฐ์ตัวนยน่อยเรองไปถือมันลงมาบางเดือนตีนทําันลงมาบางขูพัวขู่เงาลงเลยตีลงเลยโอ้สภาพความเคยยึดเคยถือสมัยก่อนจิตใจก็ยึดเค ย, ยถือสมัยก่อนนัดแน่นห่างเที่ยวระุดอัดคัดเครื่องเรื่องจิตใจของเขานั้นโอ้สารพัดกว่าสิมาถึงขนาดนี้เหมือนกับผู้บุรีเจ้าของเขาหกันฟันฟาตั้งแต่เป็นฟันฟาอุปสรรคต่างๆที่ขึ้นมาเกิดขึ้นมาในขึ้นมารู้สึกว่าโอ้บ่แมนเรื่อง เล่นๆว่ามันเรื่องที่จะออกมาเล่นมาพูดมาหยอกอยนีกันเป็นเรื่องชีวิตของเขาจริงๆเป็นนังเป็นยังว่าเรื่องชีวิตเพราะว่าทุกคนก็มีอยู่แล้วนี่แหลสิงล่งนี้ทุกคนทุกคนมีอยู่แล้วนี่ยิ่แล้วแต่ว่าถูอวิชชานะปิดบังเอาไว้ว่าเห็นเพราะฉะนั้นเขาพยายามที่จะกวดจอบเห็นปะ ขวดจอกที่จอกมันแนนำพวกจอกพวกไหนแนะนกลัวเราไปเนี่ยพราะกลัวไปปุ๊บมันตัดยิ่งงมกมาอีกเพราะกลัวกราปุ๊บมันถ่ยยิ่งงมกมาอีกมันก็เพราะไม่เ้ยเพาะเว้ยกไม่เงี้ยไม่เงี้ยนี่คือกันมาอยู่บ้านมาอยู่หนีก็รู้สึกว่ามีความอดทนมีความดีดนดีเพราะกลับไปบ้านรู้สึกว่าจักมันยังก็มันยังมันหยุ่งมันอยากมัดเหตุออกไปมัดอะไรมดมันไกลฮูบกมาอีกอ่ะก็เลยปีหนึ่งใส่มาเทียนหนึ่งตีปีหนึ่งกส่มาเทียนหนึ่งมาชาระเทียนหนึ่ง โอ้รู้สึกว่ามันกะยากเพราะฉะนั้นว่าช่วงระยะเ็ดหมือนเ็วันเนี่ยของเานี่ยเขาพยายามลองเบิร์ดูแต่สมัยก่อนนัน่นแต่สมัยก่อนหรือศิษ์ก่กอนนั่นรู้สึกว่าความเพียรในการกระทัาม น, นัน่นทุกคนอยากหูหูว่าไม่เรื่องหูเรื่องอย่างนึ้เรื่องอิทติลต ปิหารอย่างทั้งหมดแต่หู้เรื่องชีวิตจิตใจของเจ้าของเป็นอย่างไหนลักษณะใดเพิ่นบอกนายยกมือกายยกขึ้นยกลงมีความรู้สึกุมเอารองเบิงนี่ลองเบงิอ ง, บงอยากเฝ้าไปเอาอย่างมาม า, มามเป็นตัวอยากหู้อยากเก็บโอ้ยเพิ่นว่าอ ย, ย่างสั้นอันนั้นคือประสบการณ์ของเพิ่นเนอะประสบการณ์ของเพิน่นเหมือนกับเพิ่นว่าเพิน่นเพิ่นบ้าเขาบอกเขาเหมือนกับเขาทอ่อเอ่อเขาท่อผ่าเนาะพวกม่ยยีเ่ยมีเง ย, ยเคยทอ่อผ่านมันบอกว่าที่เป็นไอเอียง่ะ หูเป็นนี่ได้เป็นเครื่องหูกได้เขาต้องเอามะขอนแล้วกันั้นบะในในในอื่นอย่างในกลวงในเป็นมะขอนให้มันเป็นสายเออมาควกมาสาวมาให้มันเป็นเปนนี่ตะกอนเสือเสียมาย่อมมาเฮ็ดบะเนี่มันขั้นตอนมันรู้สึกมันหลาเลยก่อนที่ย่อมนั้นรู้สึกว่าเพิ่นเฮ็ดอย่างไรเฮ็ดเฮ็ดออฟบอยแล้วกันสมมติย่อมลงไปมันบะพอไหวบะหายบให้มันเปียกบให้มันถึกย่อมน้าสีอิ๊อันคิดกันนะ ม, ม, ม, ม, ฟฟมันหอบมานมัดมันหือไฟพื้นขวั่เตอฟื้นมีเสพพื้นตัวที่เป็นเขาเป็นนี่โอ้ยรู้สึกมันขตอนมันมากมันเยอะพอสมควรนีส่สมควรแต่ขณะที่เขาสังเกตบางอัตมามาเปรียบเทียบบางว่าในขณะที่พวกเขาเห็หตันเป็นยังมีความมีความเอาใจใส่ดีแท้ใส่หนาใสหลังกวกหนากวกหลังไปมาเนี่ยมไม่สอดไม่นี่ยเข้าไปเนี่ไปโซ่เ็ดไปแล้วทําไปแล้วเขาก็เฮ็ดลงไปนี่ลงไปชิดเบื้งออกกันนั่นอนะ สังเกตแล้วมึงว่าโอ้ตงแต่เขาเหตุขนาดนั้นนี้ขนาดยังไม่มีผลขนาดนี้แต่ว่าเขาบ้าสั่งตัวนี้มันเป็นมันเป็นภาพมันไม่เป็นวัตถุที่เขาเหตุเราเห็นเป็นเป็นมันเป็นเรื่องน้ำมาทำมันมันก็เลยมองไปเห็นคือวัตถุที่เขาเหตดพอมองไปเห็นในวัตถุในสิ่งที่เขาเห็ุเขาก็เลยใจออ อ, อ, อ, อใจออกละมันเมื่อใจออกรู้สึกว่าโอ้ยเหตุยังกดาให้ดำหน้าก็มีมองแล้วมันมันไปไ ป, ไปเปรียบเทียบเสนได้บ้างเหตุบ้านเหตุเพื่อนก็มีมองแล้วท่า อไม่ทาเสาก็มีมองแล้วนี่มองเห็นมองมองเห็นแล้วมีมองแล้วมองเห็นบัตจกไงยกมือเจ็ดมื่นเจ็ดพันยังไปเห็นหยังไงแล้วเพื่อนบอกไปเห็นหยังบันเหวเพื่อนก็บอกไปเห็นเจ้าของมันบ่อบันเห็นเจ้าของเราเห็นเราบังเห็นอะไรยังบันเนี่ยเพราะฉะนั้นว่าสิไปหาหยังบันหาเจ้าของเดนี้เข้ามาหาเจ้าของได้เดนี่ตะจีตะกอนอาจจิไปเห็นเห็นว่าอาจจิปะหูปะไข้กำหนดกฎเกณฑ์จ้า ความง่วงเงาเฮานอนคนเฮากะเฮากะเฮ็ดเนาก็ทำไปนะเฮายู่บ<อ>้านนะอยากนอนก็นอนอยากเฮ็ดยังไงอยากหิวก็จินจินลงไปแต่ว่าบ่เคยกำหนดกดเกณบ่เคยกำหนดนี่กับมันในเพียรในเพีพอเฮามากำหนดปะเนี่ยพอเิดมือขึ่นกว่ามือลงยกมือไปอมือมามีความโมเสกคุมาไอสิ่งที่เคยชิ้นต่างๆที่เฮาก้เฮ็ดเคยทามาน่รู้สึกมันเขามาข่อมวเหมือนกับว่าเ้าไปต่องขังแตนเนาะเห็นบ่ แต่มันก็หวงฮั่งห่วงลูกมันที่กันเนี่มันไปต้อนได้ไปแต่ต้องยันได้เออว่าเรื่องจริงเนาะอ่าหลวงพ่อนี่แหละหลวงพอนิว้อนนี่แหละวันปีใหม่ที่น้อยคงในน้อยน่ะนั่งยืนขังกันตมาวันปีใหม่ปีนั้นวันที่หนึ่งวันนั้นอยู่บ้านเพลินเป็นไงจังให้ยังไงจังให้ก็บ่าจัดบนนี้ก็ได้ แล้วเาชิบ่เห็นกับว่าจากกาชิบะเห็นมันว่เจลียดแต่น่านะ่ะเนาะมันไนะปนเหี่ยวแต่น่าไปเหี่ยวเราไปเหี่ยวหวดทั้งแต่นี้มั้ง้ยมันกระใจหายทีจะไปเหีเยเเ่ยวหวดมันไม่มละมันก็นบินตี้ยมาใส่ขาใส่เนีย่ยค่ะเฮ้ยขึ้นบงเ อ, อิด้วยไงมันยายละเอีดดยดนพะักหลายเน ฟังเห็นเล่ฟังฟนงวอยฟังเหล่าเจ้าของหัวอัจะพเดียวแล้วเอามือโอ้ยปนั่น่ะแันไม่น่าจะมาบ่ไหวฟังสับจ๊กกายจ๊ปปวดเปนผลผลิตนเพื่อถามเลิกปนั้นเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่มันหวงคือกันสิเลที่มันครอบงำจิตแจของเาให้กันมันก็ะหองกแผนคือกันวิชาที่มันรู้สึกว่าโอ้ยเหตุใดล่ะ มูที่ขอมาไล่ท uh ี่พันธ์ทีฮ่อแล้วฮ่อจะยู่เหนื่อยได้ในเด็กมันก็ต่อสู้กันน่ะต่อสู้กันไปนี่กันไปก็ง่วงเอานอนกับเอาน่ะมั่งง่วงในทักส่วนต่างตานี้นเดินยังกลมห้างเที่ยวบางคนเดินยังกลมยู่นีรู้สึกว่าเดินยังกลมห่มนั่นรู้สึกวโอ้มันแดดมองนีก็คือมันดีๆีแหนยไปห่มนั้นแหนไปห่มนี่แหน่ไปแห่มาเลยกายเลยว่ากลายเป็นไข่ลากศาสตร์ลากสาตรขอหาห่มนั้นลากศาสตร์ขหาห่มนี้แหนหมองเพระวันกบ